ท้านบอกว่าการฟังและการเข้าใจและการจะไปปฏิบัติในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยการจะไข่ควรวนเนี่ยแต่อย่าลืมนะความเข้าใจนี่แหละท่านทั้งหลายก็ไปหมุนความเข้าใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้ น, นเมื่อตรงนี้ชัดขึ้นนะอัตถาชัดธรรมะชัดอัตถาธรรมะอัตถชัดเนี่ยปลาโมจะเกิดจะเกิดถ้าอัตถาธรรมะไม่ชัดนะปลาโมจะไม่เกิด ตรงนี้นะ ก, ก็ไปไข่ควรไปพิจารณาเยอนะจะได้เห็นคําว่าสัมมาสัมพุทโธชัดขึ้นรอบนี้รอบบ่ายเป็นรอบสัมมาสัมพุทโธมาถึงกลางคืนก็มาสัมมาสัมพุทโธกันเยอะนี่เนะี่ยใช่ไหมใช่คือต้องการให้เห็นความมหาสจ ร, รย์ของคาคำํานี้อยู่ที่ว่าจะเชื่อมสัมมาสัมพุทโธนไปหาสมถะหรือไปหาวิปัสสนาหรือไปหาสูตรไหนเห็นไหม ถ้ามุมมองในพระธรรมนั้นชัดเจนเมื่อไหร่แล้วเชื่อมคํานี้ได้ทุกเรื่องเราจะได้เชื่อมได้ศึกษาคําสอนต้องทะลุทะลวงได้อย่างนี้เราจะได้เป็นปัจจัยในการที่จะเข้าใจคํานี้มากยิ่งขึ้นนี่แหละคือสภาวะของพุทธธรรมะสงังฆะเนะี่ยถ้ารวมกันเป็นอย่างรวมลงในพระนิพพานเนี่ยแหละ <ST. S 1> ใช่ไหมรวมลงในพระนิพพานฉะนั้นไม่ว่าสัมมาสัมพุทธโธก็อนุปาทาบริญพาน คือพเจ้าพระธรรมก็คือนั่นแหละ น, นิพานนั่นแหละสูงสุดอยู่แล้วสังฆะก็คือสภาวะที่จะไปอนุปาทาปรินิพานเหมือนกันรวมลงเป็นหนึ่งคือความดับทุกข์จริงๆใช่ไหมแต่กว่าจะมารวมเป็นหนึ่งแล้วเข้าใจจุดนี้ได้นะ่ะยาวนานมากสังสารวัตนี่นะไม่ใช่ง่ายเลยอะกว่าที่วันใดวันหนึ่งที่จะประชมขันให้เข้าถึงสภาวะ ที่เป็นสังฆะใช่ไหมหรือจะเป็นพุทธะอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ยะยิ่งไม่ง่ายแต่ความไม่ง่ายนี่แหละเขาเรียกว่าเมื่อศึกษายอดคําว่าสัมมาสัมพุโทโธชัดคําว่าธรรมสังฆะชัดคําว่าอนุปาทานปริญญิพานชัดสาุปาทิเสสนุพานอนุปาทิทาเสสนิพานชัดเนี่แต่นี้แหละ แต่นี้การเดินไม่กงังวลเขาเรียกเป้ามันชัดแล้วเป้าหมายมันชัดแล้วจุดมุ่งหมายมันเด่นแล้วจะไม่มีข้อกงังวลใดๆแล้วใครมาจูงแขนบอกหยุดก่อนมันไม่อยู่หรอกใช่ไหมมีแตจะดึงคนอื่นใน ล, ลากตามไปด้วยไม่ถูกดึงกลับมาหาการมาคุณอีกแล้วในสังสารวัตที่ยาวนานเราถูกดึงกลับอยู่เรื่อยถูกกระซิบกลับกระซิบกลับอยู่นั่นแหละวัตถุกรมนี่แรงมาก ใช่ไมไม่ว่าจะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรุนแรงมากแล้วถูกดึงกลับกันอยู่ น, นั่นเลยแล้วสารพัดเยอะหมดเหตุผลเพียงพอก็ว่างนั้นเพราะแรงแรงเข้าใจในพระธรรมเราไม่ถึงถ้าวันใดวันหนึ่งแรงการเข้าใจของพระธรรมนั้นเข้าถึงและชัดเจนเมื่อไหรน่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรคกลับเป็นเครื่องอำนวยประโยชน์ในการจะบ่มเพาะบารมี มีมากยิ่งดีวัตถุกรรมเห็นไหมมีมากยิ่งดียิ่งยิ่งเป็นปัจจัยในการเกื้อนหนุนต่อการบ่มเพาะบารมีมากยิ่งขึ้นที่เป็นขนาดไม่มีวัตถุการภายนอกท่านยังเอาอัจฉริการทานให้ได้ให้วัตถุภายในเลยอย่างนี้เป็นตน้นแปลว่าท่านหมาอะไรเนี่ยนี่ให้เห็นให้เห็นความที่ว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยมาสจั่นมากเนี่ยที่ขั้นแทงตลอดอริยสัจจะทำทั้งหลายเนี่ย ถึงบอกว่าเวลาศึกษาคำสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้นึกถึงว่าที่บอกว่าสัพพุทธทังประพุทธชันติสตาโคตมาสาวากาเวลาฟังท่านสวด น, นี้ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันเนะตรงนี้นะเวลาที่ว่าเออบุคคลที่เขาเลื่อมใสเนี่ย เขาก็นอบน้อมที่ในกรณีที mm ่ท่านถึงโลกุตระสารณาแล้วเนี่ยนะที่ท่านบอกว่าบุคคลเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายที่พากันหลงเนี่ยที่บอกว่าพหุงเวสารนังยันตีสัพพตานีวนานีจา อารามารุขเจตยานีมนุษย์สาพยาตชิตาตรงนี้แมว่ามากจริงเนาะมากจริงๆสารณะที่นับถือมีทั้งภูเขาแล้วก็ป่าไม้แล้วก็ลุขเจดีสำหรับมนุษย์มนุษย์ที่ถูกภัยคือชาติทุกชะาทุกมรณะทุกข์ขคคามนะมากสัตว์โลกนี่วิ่งหนีวิ่งกันไปสารพัด ท่านึงบอกว่าพระองเวสรนังยันตีสัพพตานิวา น, านิจ า, ารามรุขเจตยานิมนุสาตยยตัชิตาเ <st arts> นตังโคสรนังเคมังเนตังสารณมุตตามัง เนตั้งธรณมาคามาสับดุขาปมุจติโยจาพุทธันจาดัมมัญจาสังขันจาสระนังขาโตจัตาริอริยสัจจานีส oh ัมปัญญาญาปสติ ดุขังดุขสมปาดังดุขสาจะอติกามังอริยัตถังกิการมังดุโคปสัมมันขามินังเนตังโคตระนังเคมังเนตังตรณมุตมัง เนตังตัณฑามาขมมาสับบดุขาปมุจจติท่านพาระาาบอกว่ามากสารณะนี่มีมากจริงๆสัตว์โลกที่ยังมืดบอดก็เอาภูเขาเอาป่าไม้เอาสวนเอารุกเขเจดีย์เอาจอมปวกเป็นต้นนะมนุษย์ที่ถูกชาติภัยชารา ภ, ยยาภัยพยาธิและมรณะคุก ข, ขาม ก็วิ่งหาสารณากันอย่างคนตาบอดนั่นแหละไม่ใช่สารณาอันเกเสมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเพราะมนุษย์หรือเทวดาเหล่านั้นอาศัยสารณานั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทุกข์แล้วก็มรณะทุกข์ไปได้เลยส่วนบุคคลใดเนาะเข้าเห็นสัมมาสัมพุทธะเห็นพระธรรมคือโลกุตละและก็เห็นพระปริยติธรรมด้วยเนาะ เห็นสังขาคือสภาวะที่ไปตัดสลูตามผู้ทานนั้นย่อมเห็นอริยสัจสี่เก่าวคือทุกข์สลมุทายนิโรจน์มากด้วยปัญญาอันชอบเนียคือทุกข์เหตให้เกิดทุกข์การก้าวร่วงทุกข์อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดแล้วก็ทํามันเข้าถึงความดับทุกข์นั่นแหละเป็นจรณะอันกเกษมนั่นแหละเป็นจรณะอันสูงสุดบุคคล น, นั้นอนาศัยจรณะนั้นแล้วก็จะพ้นจากชาติทุทกข์ชลาทุกข์เป็นต้นได้ ในมีรินได้ปัญหาท่านก็บอกนะเอโกโมโนปสาทโหสาระคมนานชลิปนาโมวาอุสาสเหตารยัคตุมารภะระพิสูทรเนพุทเทบอกว่าความเลื่อมใสาจากใจอย่างเดียวหรือการถึงสนธคมอย่างเดียวหรือการอัญชลีนอบน้อมอย่างเดียวในพระเจา้าผู้ทรงกําจัดมารและพลมานนะยังสัตว์ให้ข้ามพ้นกันดารได้นะเออท่านบอกว่าอู สถานะที่เป็นโลกุตระเนี่ยเมื่อเราเข้าถึงเนาะเข้าถึงสามัญญผลสกโซดาปฏิผล์สกาธาคามีผลอะนาคามีผลอัตผลเป็นวิบากผลมีความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงเป็นอนิสงส์เนาะดีกาท่านขยายว่าอริยมรรคเท่านั้นเป็นสน า, าคมที่เป็นโลกุตระนั่นก็ไปดูว่าโอ้เนี่ยฉะนั้นคําว่าสัมมาสัมพุทธทาที่ว่าตัดสู้ชอบได้ตนเองแล้วก็ยังบุคคลอื่นให้ตัดสู้ตามด้วยเนี่ย ถ้าเราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ว่าเราภาษาวกของพระพุทธเจ้ามีสติตั้งมั่นในคุณของ พ, พุทธเจ้าเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอด